ก็มาดูในตัวบทวิธีนะครับหน้าอากก้นะข้อที่สาตระกูลเหล่าใดที่ได้รับสมมุติเป็นเสงคาบุคคลมีอยู่ที่ส่วนรูปใดไม่ได้รับนิมนต์ไว้ก่อนไม่ใช่ผู้อาพาตรับของขบเคี้ยวหรือของบริโภคก็ดีด้วยมือของตนถึขงขบเคี้ยวหรือฉันก็ดีในตระกูลท่าง ที่ได้รับเศรษฐขาดสมมุติเช่นนั้นที่สุรูป น, นั้นเป็แสดงว่าอารมณ์โสข้าพเจ้าต้องการบัตรมันมชื่อว่าปาอิเทสติและมันควรสีเตียนแต่ไม่เหมาะสมข้าพเจ้าขอแสดงงานบัตรนั้นครับอันนี้เกี่ยงกับว่าตระกูลที่เด้รัสมมุติเป็นเศรษฐขาดบางคนทั้งพูดถึงเป็นตระกูลที่มีสัตยายมาก จะมีพกทรัพย์น okay. um ้อยนะครับเอาถึงท่านเป็นผ้าเรียบบุคคลเลยนะตั้งแต่ภ้าโซลาม์บนไปนะครับมีสันทางตั้งมันในหวั่นไหวนะแต่ว่ามีพกทรัพย์น้อยท่านเห็นผ้ามีถวายหน้าบ้านเนี่ยอดไม่ได้นะครับที่จะถวายแม้ตัวเองมันเป็นอาหารกินของตัวเองนะแล้วย่างอื่นไม่มีแล้วนะครับก็เอาแต่เนี่ยถวายท่านเลยโดยที่แบบไม่มีความตันีของแหงนะใช่ไหมอย่างนั้นนะ บางวันก็ยอมัดก็อดนะครับถ้าตะกูลที่เป็นถึงขนาดนี้นะครั บ, บพระองค์ทรงอนุญาตให้สมมุตินะสมมุติดมาเสกขาดสมมุินะครับแต่กูณที่ได้รับเสกขาดสมมุติแล้วเนี่ยพระจะเป็นมีทบายรับอาหารบ้านเขาเลยไม่ได้นะครับก็จะต้องมาเลี้ยงสิขาหมดนี้นะนอกจากว่าถ้ารูกนั้นป่วยนะครับหรือว่าโยม บ, บ้านนั้นเขา้านในมลไว้ก่อนอย่างนี้ได้นะหรือก็จะนิมนต์ถวายเป็นนิท แต่ในแต่ยภาคอะไรก็นด้ไเป็นไรนะแต่ให้เขานิมนต์กันก่อนนะครับแต่ถ้าคําไม่ไนิมนต์เราอยู่ดีวิทยาบัยเข้าไปบ้านเขาเลยเนี่ยนะอย่างนี้ไม่ได้นะครับหรือว่าเขาออกมารอใสบ่บานหน้าบ้านนะอยนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับพราสมัยก่อนเวลาปิทจาลัยเข้าไปยืนที่นั่งอยู่หน้าบ้านนะเขาไม่ได้เดิอ น, เดอ น, เนอย่างนี้นะครับเขาจะยืนรออยู่หน่อยนะยืนจ่อจงนะครับถือว่าเป็นการขอแบบผาลีย์นะ นั่นเขาใส่บาตรนี่ยจะไปยืนอยู่หน้าบ้านเขานะั้วก็ยืนจ้งๆ อ, อย่างนั้นนะ่ะไม่ได้ครับเพราะเป็นตระกูลที่เล่าสมมูลแล้วนะนอกจากว่าเขาที่ม้วไว้ก่อนนะครับหรือว่าวิสุอาภาเนี่ยได้นี่ <c oughs> นนครับอันนี้แค่นีครับหม้าต่อไปมาดูต้นบันหยั่นนะครับต้นต้นในองงนอ ง, อง ด, ออด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามี็ผ้าละเอยียดเดียวนะต้องแบบวิปเขาก็ทราบน้อนว่าไม่ค่อยมีอะไรนะ่ะลำบากแต่ว่ามีศรัทธาดีมากนี่นะครับ มีสองมุ่นนีหละเรื่องก็มาจากอะไรหนึ่งตระกูลหนึ่งค่ะเรื่องของตระกูลหนึ่งนะอา้าวในสมัยนะั้นพระพาผู้พระเจ้าประทับอยู่หน้พระเศวตวันอาราของอาถรรพิกะข้ามบดีเศผพระนครสาบถีครั้งนั้นในพระนครสาวบถีมีตระกูลหนึ่งเป็ตระต ก, กูลที่เลื่อมใสทั้งสองสามีภระระยาเจริกด้วยศรัทธาเป็นถึงพระอริยบุคคลข้ามโสดาบันแล้วนะครับ ของเล่นใส่ใช้ไม่ต้องพูดถึงในเต็มที่นะครับแต่ยอาไม่พกซับว่าจะมีซักน้อยนะครับเขาไม่สลักของเชื้ของฉันอันเป็นอาหารรึเช้าซึ่งบังเกิดแต่กูนั้นทั้งหมดเราใส่บาบาหมดเลยไม่เหลือเลยนะแกไปสุดทั้งหลายแล้วบางคราวถึงกับเอาอาหารอยู่ยอมนะก็ยอมนะครับชาวบ้านพายกันเพ่งเข้ิเตรียมโฆษนาว่าฉไหยพระสัมมาสัมพุทธเจพระสัจญาบุตร จึงได้รับอาหารไม่รู้ปจักประมาณใส่ภรรยาคู่นี้เนี่ยถวายแก่ถ้าสมณาหเหล่านี้แล้วบางคราเห็นกับปุกอาหารอยู่ที่สุดทั้งหลายได้ยินชาวบากพวกนั้นเพ่งเข้าดูเจมุทนาอยู่จึงได้การเรื่องนั้นหลานนี้มาพากได้ผู้ทูตก็สอนุ ญ, ญาตพิเศษนะว่าเ ล, ล่าสั่งกับทื่อทั้งหลายว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายแต่กูรีจะแบด้วยฉันทาแต่หย่อนด้วยภูกระซับ เราอนุญาตให้สมมุติว่าเป็นเศรษฐ ก, กิจแกตระกูลเห็นปานนั้นด้วยยติทุติยกรรมนะครับพระก็จะตั้งสวดกรรวารจารนะครับนี่คือผู้ชนะผู้สามารถนะคือประกาศสงฆ์ ส, สรีดิสิทธกรมรมวารจาร์ว่าท่านเจ้าค้าของสงจงความเข้าปรจ้า์ตระกูลมีชื่อนี้จเจริญด้วยศรัทธาแต่อยอมด้วยภูกระซับถ้าความพร้อมพั่งของสงถึงที่แล้ว สองขอให้สมมุติว่าเป็นเศรษฐาแต่คุณแต่แต่คุณมีชื่อนี้นี้เป็นยลติกนะครับแล้วก็สวดกรรมวาจาครั้งนึ่งนะครับท่าเจ้าข้าขอส่งดวงพระพุทธเจ้าแต่คุณมีชื่อนี้จะดินด้วยศรัทธาแต่ยอมในพระกระซับสองให้สมมุติว่าเป็นเศรษฐาแก่แต่กูลมีชื่อนี้การให้สมมุติว่าเป็นเศรษฐาแต่เนี่แก่แต่กูลมีชื่อนี้ชอบกับท่านผู้ใดท่านคุณนั้นเป็นผู้นิ่งไม่ชอบกับท่านผู้ใดท่านคนั้นเป็ผู้ ให้สมมติว่าเป็นเศษถักโสงให้แล้แต่จีนีชื่อนี้ชอบแต่งสงเห็นนั้นจีนีท้านพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้สมมติตอนนะสมมุติก่อนนะถ้ายังไม่ได้สมมุติก็ไม่เป็นไรนี้ครับถ้าไปลับอาหาบ้านเขาก็ยังไม่ต้องอาบังคุณก็ทรงเมตสิขานี้ขึ้นมานะครับแต่ถ้าบรรยากาข้างแรกยังไม่มีว่าอาบ้าอาหารนะไม่ไม่เกี่ยวนะครับไม่ได้ทั้งหมดเลยสมัยต่อมาก็มีเรื่องของพิสุนุนิดเกิดขึ้น โดยสมัยนั้นแลในพระพนครสาวกัีมีงานขอรศพวกชาวบ้านนิมนต์พิสุทธิทั้งหลายไปฉันแม้แต่กูรย์ก็ได้นิมนต์พิสุทธิทั้งหลายไปฉันพิสุทธิทั้งหลายไม่รับนิมนต์นะครับต้องเกียรตอยู่ว่าการรับของเคสของฉันในแต่กูรที่สมมุติว่าเป็นเศคารืา้อเมืองของตอนแลนเคียวฉันเมื่อพระเจ้าทรงห้ามแล้วก็เลยแม่รับนิมนต์ไม่ไปฉันเข้าเลยนะครับเขาจึงแพง่งข้อติดเตรมพุทนาว่า พวกเราจึงมีชีวิตอยู่ไป ท, ไทําไมเพราะว่ากุญแจทั้งหลายไม่รับนิ ม, มนต์ฉันของพวกเราครับซึ่ทั้งหลายได้ยินเขาแกล้งต่ออิเตงปุตนาอยู่จึงกันาวนุ่งเนื้อผ้าเจ้านะครับนี่เลยนะครับที่บอก็สองอียหาว่าถ้าเขานิ ม, มนเน์้เาไปฉันได้ก็แปลนิวาอย่างครั้งแรกนะครับสมัยต่อมาก็มีเรื่องของพิสุอาผ้าหนะา โดยสมัยต่อจากนั้นแล้วพิสุกรูปหนึ่งเป็นกรุปประกาศของตระกูลกรุปประกาศคือพิสุผู้เข้าถขึงตระกูลนะครับยองถ้าได้ยินคํานี้นะกรุปประกาศพิขุเนะพ่สุพวกเข้าถึงตระกูลหมายเพราะว่าคุ้นเคยตระกูลนั้นดีนะนะี่เนี่ยพ่สุพวกเข้าถึงตระกูลอนะไรท่านใจเป็นกรุปประกาศของตระกูลไหนครับยองนี่เลยแล้ว <laughs> ใคของยอแม่แม่บุญธรรม ก็หลังตกูแล้วคุ้นเคยอะไรรู้จักข้อดีอย่างนี้นะอย่างเหมือนพี่แกค ง, งได้นะกูรูปการสำนั่งนะครับพ่อเกอยู่ตัาา้งนานก็คุ้นเคยอะไรข้อดีแล้วนี่นกะ็มีพิสุกรูปประกาศขึ้นตะกูนะครับรูปหนึ่งนะทั้งเวลาเช้าเคยคลอนตะล้าวาน่งแล้วถือบาทจีวรเดินผ่านเข้าไปในตะกูนั้นครั้นถึงแรกจึงนั่งบนอัชนะที่เขาจัดถวายพิสูุนั้นเกิดอาภัตในทันใด ป่วยนะไปวิธบังตอบไม่ได้นะครับไม่รู้ท้านเข้าไปที่บ้านทาไมืจอชาวบ้านเหล่านั้นได้กล่าวอธนากิสุนั้นว่านิมนฉันเถิเขาเลับ น, นะครับภิกษุนั้นไม่รับนิมนังเกียรตอยู่ว่าภิกษุผู้อัญชัยยกเมตไนนิมนไว้ก่อนรับของเคสของฉันในตระกูณที่สองถึงว่าเป็นเศรษฐะด้วยมือของตอนแล้วเคี้ยวฉันพระมุขรเจ้าทรงห้าแล้วท่านก็เลยไม่รับ น, นะครับ ดังนี้แล้วไม่อาจไปปิธาบัตงได้เพราะว่าเขาป่วยได้อดอาหารเนี่ยแล้วสมัยก่อนเขาเ้าใจเด็ดจริงๆนะครับยอมอดเลยนะถ้าลุปพระเจ้าบาอยา่างนี่ไม่เอาเลยนะครับผมก็ออกอย่างนี้นะคันหายจะอาภาแล้วเธอได้ไปสู่อารามแจ้งนั้วแก่พิสุททั้งหลายที่สุดธทั้งหลายได้กับมือแดดนักภาคเจ้าผู้นหลวงก็ทรงอนุญาตขึ้นมาแสดว่าที่สุอาภาเก็ไม่เป็นไรช้าหน่นะ ทีนี้เรามาดูนะครับถ้าเกิดผมบอกมาผมก็ยังไม่เคยเจอนะแต่ครูที่ก็ส่งเขาว่าเป็นเศษขัดนะครับให้ยังไม่เคยเจอนะครับสันาหน้าสองหกสิบหกนะครับเข้าที่สามนะอธิบายมาเฉยๆเนียสิครับที่สามในคาวา่าเศษขัดสัมมตานินะครับ ได้แก่ตระกูลที่รอบการสมมติว่าเป็นเสรษฐาคําว่าขุเพานี่มันตีโตความว่าเมื่อ ไ, ได้นิมนตไว้ก่อนนะครับพ่อเดินเข้าถึงเขตบ้านคือเรือนนี่หมถึงเรือนท่อนัครับแล้วยายกจึงนิมนต์หรือทายยกนะครับเข้าไปถึงบ้านก่อนเข้า น, นิมนต์ใช่ไหมอันนี้ถือว่านิมนต์ที่หลังไม่ได้นิมนตไว้ก่อนแบบไม่ได้ใช้ไม่ได้นะหรือทายยกยังไมไ่นิมนต์ไว้ก่อนที่พิสูจจะเดินเข้าเข็น เ, เรือนเข็นะบ้า อันนี้ชื่อว่าไม่ได้หมดชื่อว่าไม่เป็นไข่ก็คือสามารถจะเที่ยวมิธบาลได้นะครับปวดหัวนิดหน่อยแต่มิธบาลได้นะไองก็ไม่เป็นไข่ทีนี้นะครับคําว่าไปเทสานิยังความว่าที่สู่โดยเข้าไปในเรือนรับของเทียของฉันมาต้องมาที่กดพอกงานรับประเคนก่อนนะครับครั้งรับมาแล้วฉนันในที่ใดที่หนึ่งต้องบัดบาทเทสานิยะ เหตุกะระแลประเภทอามบาสิกามวันนี้มีมาพาคเจ้าทรงปารุติสุหลาย 1, าทูปหนสาวันถี่ทรงมัญญยัดไปแล้วก็เห็นคือการไม่รู้จักประมาณในอาหารแล้วลับมาฉันสิกามวันนี้มีรุ่นัญญยัดสองคือปุพเพญาณมันติโตทายกยังมน น, ม น, นิมมลกอดอิชิลานุพิสุไม่เป็นไข่นะครับเป็นติการตายใช้าัญญาคือตะคกนที่สองสมมุติแล้วเข้าใจสงสารฉวนผิด ก็ต้องแบบ น, นั้นพิสูรเล่ามือฉันยามาตรกายเป็นต้องก็คือน้าปลานะ้าสตหาห์น้ำใสนี้นนะแล้วก็ยานครับต้องมาทุกกฎพอไปลับมาฉันยาอาหารอะไนะต้องมาทุกกฎเช่นเดียวกันตระกูลยังไม่ได้สมมุติเป็นเศรษฐกิยังไม่ได้สมต ม, สมตินะครับสำคัญว่าสมมุติแล้วมีความสงสยัยไปลับมาฉันก็ต้องมาทุกกฎ mm hmm. สงสัยโดนตลอดเลยนะไม่ได้เลยนะครับ อนาบัตนะครับสำหรับที่สุดที่สําคัญว่ายังไม่ได้สมมติก็ดีเพราะไม่ได้สมมติจริงๆรนะิงที่เขาเข้าใจตรงไมเป็นไรนะครับที่สุดที่ถูนมวลไว้ก่อนก็ดีเป็นไข่ก็ดีเนีย่ยรับได้รับอาหารของบุคคลอื่นซึ่งจัดแจ้มในเดิ่อของชว์หลังนั้นก็ดีไม่เป็นไรไม่ใช่อาหารของเขานะครับมีคนก็าหามาันตั้งอาหารไว้ที่บ้านแกแล้ว ม, มีถวายพระนี้ได้ ใฉันาภชนะของทางยกที่นําออกจ่างเรือนแล้วไม่เห็นพิสุทในโรงฉันเป็นต้องจึงนําออกมาถวายที่ใกล้ประตูก่อนก็ดีเข้ามารออยู่หน้าบ้านนะครับเตรียมอาหารไปเลยเลาพระมาใส่บากรก็เตรียมใส่ในนี้มันเป็นไรนะครับไม่ได้ไปยืนเข้าไปรอถึงนั่นเลยนะก็พอออกมาเตรียมใส่ได้ <c oughs> พิสุทธิ์ฉันนี่นี่จะพังนี่แต่ยพักก็ดีไม่เปนไร ข้านี่หมอนไฟฉันประจําสลาดกับพัดก็ดีปักขีกับพัดก็ดีไพฑถวายในปังนะครับสิบห้าค่ำสี่่ำน้่อุปโสติกับพัดก็ดีไพู่รถวายในวันุบโสถสิบห้าค่ำสี่คาำแปดค่ำใช่ไหมปาติปาฏิปะิรัปาฏิปาิกับพัดก็ดีภาดที่ถวายในวันปาฏิบทก็คือวันแรงหรือวันขึ้นหนึ่งค่ำนั้นเรียกว่าวันปาฏิบดบางคนาจะนิยมถวาย วันนี้นะครับก็ถือว่าถ้าเป็นวันพระน่ะต้องมีคนใส่บมาญเยอะแล้วคนสมุนเยอะแล้วแต่ว่าหลังวันพ้าบางทีไม่ค่อยมีอะไรเลยเขาก็เลยว่าถวายหลังวันพ้ากันคือวันขึ้ว่าแรนหนึ่งค่ำหมึ่งกลันนี้นะก็มีการสมัยก่อนเนยชันยามอาการเป็นต้นที่ไทยถวายว่าเมื่อมีเหตุนิมนต์ชันเผยก็ดีนะครับที่สิบว่าเป็นต้นก็ดีไม่ต้องอาบัต องอาบอกสัิครั้งว่นี่มีองห้าคือหนึ่งตระ ก, กูลขอสมมติเป็นพราเศรษฐาสองทายกไม่ได้ทีม่มุมไอกรสามไม่ได้เป็นไข่สี่เดินเข้าไปภายในเขนเรือห้าชั้นอามิตยอย่างอื่นๆ่นะครับเรื่อที่ครับในสกัด้าเรื่อเกิบ้านเหมือนกันอ๋อเขนเรือนท่านั้นอเองใช่ขเขาเห็นว่าบ้านนแต่มาถึงเรือจริงๆ้านที่หมายถึงเรือ ผมผมเกิดเป็นเรือนผมกลัวคนใจแค่จะถือว่าเป็นหมู่บ้านไง<ร>ครับไม่ใช่เข็มหมู่บ้านเนี่ยไม่ใมาตั้งแต่ก้าวเท้าแรกร่วมงพรานีประตูอะไรของหมู่บ้านไม่ใช่นะครับอันนี้มัาถึงเข็ม เ, เยือเท่าไหรนนะครับหรือว่าความรู้ว่าที่ไม่เขาเ้าไปในเข็มรู้ว่าข้าอย่างนี้นะครับนี่แหละฉัน อ, า อ, าอ่านนิยามอื่นๆที่ไม่ใช่นี่จะพัดเป็นต้นนะครับนี่นะสมุนไพรเป็นต้น เหมือนกับเอลกาโลมาสิกษาบทแรงกายจิตนะครับเขาไปรับมาชันจะรู้ไม่รู้ว่าเขาเป็นนื้ศึกษาสมบูรณแล้วนะถ้าไปรับมาเขต้องมาเ่านั้นนะครับ<อ>จบ ก, การที่บางไปในสันนยสศึกษาที่สามท่านพูดถึงขนาดนี้นะว่าตระกูลที่มีลักษณะอย่างนี้นะครั บ, แ ม, บ, นนนรบแม้มีซ้ำท่านบอกว่าก็จะคุณเช่นนี้ถ้าแม้มีซัำถือแปดสิบโก น, นะครับก็ย่อมร้อยหลอจากภพกระซับ เพรเห็นใจนะครับเพราะทั้งอุบาสกทั้งอุบาสิกาในตรครูลนั้นไม่สมวนพวกกระสอบครับไม่ห่วงเลยนะถึงจึงมีเยขนาดนั้นก็นะร้างก็จะรอดหล่อได้ครับใช่แล้วทำเต็มที่เลยนะลองดูนะวิสาขามหรือว่าอาหารบิณิกาใช่ไหมเช่นอาหารบิณิกาที่หวานแบบโหเย่อะเลยนะที่ท่านตกอามอยู่ที่นี่ใช่ไหมอาหารบิณิกานะจนแล้วก็ไปกัด้วยจ้าร่าสมัยก่อนเนี่ย ตอหาปนีปนีดีๆได้ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยชนะขาดรองแล้วก็ปลายค่าค่าปลเกียร์อย่างนี้นะแต่สุดท้ายก็ไม่ไม่หวั่นไหวนะก็ยังทำมือเรื่อยๆมีอะไรก็ถวาอะไรนั่นนะไม่หวั่นไหวเขาไม่กลัวนม่ชว่าไม่ไบายแล้วนะอาจจะมีแต่ว่ามันม่เหมืผู้ชนแล้วนะบางน้อยอะไรนี้นะน้อยมากเข้าประมาณอย่า อุปมาไม่้มีที่ไปที่มาเพราะว่าครูบาทาจารเขา้ามานะ่ยเขาบอกว่ า, าความสเท่าอูเขาของกระทรวรงานางหรือเท่าชมพูนี่ลไสองคนพูด น, นะ น, น, นะครับจะพูดในความแันนะพ่อะลักเด็ดอันเยอเยนะครับ